2. ก่อนภาวนาต้องฟังให้รู้เรื่องก่อนวงเล็บเปิด 27. พฤษภาคม2550าจุดจุดนาที12วงเล็บปิดฉะนั้นตั้งอกตั้งใจเรียนตั้งใจภาวนาเบื้องต้นนะฟังให้รู้เรื่องก่อนให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วอยากขี้เกียจทำบ่อยบ่อยถ้ายังไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ห้ามขยันนะขยันแล้วมันเลิดเปิดเปิเปงออกนอกลู่นอกทางไปแก้ยาก นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดชอบไปเพ่งเอาชอบไปบังคับตัวเองให้นิ่งๆผิดความเป็นจริงแก้ยากบางคนแก้ไม่ได้เลยบางคนไม่ดื้อมากนักก็พอแก้ได้ความจริงวิธีการปฏิบัตินะถ้าไม่ไปทําผิดนะเริ่มต้นไปด้วยใจใสๆซื่อๆอปฏิบัติง่ายดังนั้นก่อนจะปฏิบัติฟังให้รู้เรื่องก่อนบางคนคิดว่าจะภาวนาด้วยตัวเองจะหาทางด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะ แต่ก็ล้มลุกคลุกคลานนานหน่อยอยังต่ําก็สี่อสงไขยแสนมหากัรเร็วที่สุดเลยนะสองอสงไขยคือพระปัจเจกสองอสงไขยแสนมหากัรหน้าตาพวกเราดูเหมือนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะตะเกียกตะกายไปขนาดนั้นก็อาศัยพระพุทธเจ้าที่ท่านค้นคว้ามาก่อนตั้งใจฟังหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ยากอะไรหรอกง่ายๆ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนพอเหมาะพอควรกับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่มีจิตใจปกติหลักการปฏิบัติที่แท้จริงคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในาศาสนาพุทธก็คือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองคําว่าในเครื่องหมายคําพูดเรียนรู้หมายความว่า กายมันเป็นอย่างไรให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างไรก็ตามรู้ตามดูจนรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้อย่างที่เขาเป็นการรู้สิ่งทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นนี่แหละที่เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดสัมมาทิฏฐิมีความรู้มีความเห็นถูกต้องดังนั้นให้เราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจบางคนบอกว่าทำไมสอนแค่รู้น้อยไปอยากทาอย่างอื่นพวกเรานักปฏิบัติคอยสังเกตใจของเราดูทุกวันนะ เราจะคอยคิดว่าทำอย่างไรน่าจะดีมีใครรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมจะคอยคิดอยู่เรื่อยเลยว่าทำอย่างไรจะดีทำอย่างไรจะดีทำอย่างไรจะถูกมากกว่านี้อีกทำอย่างไรจะพ้นทุกข์ทำอย่างไรจะได้ดวงตาเห็นธรรมทำอย่างไรจะได้มรรคผลนิพพานในใจของเรามันตั้งสมมติฐานไว้แล้วว่าจะต้องทำเราคิดแต่ว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนธรรมดา ถ้าไม่เหมือนธรรมดาอย่างที่เราทำทุกวันนี้แล้วมันไปมรรคผลนิพพานได้ทุกคนก็ไปมรรคผลนิพพานกันหมดแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราคิดจะทำจะต้องเกินธรรมดาให้คอยรู้ทันนะใจมันคอยคิดจะทำอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ไปดูสติปัฏฐานนะลองไปหาอ่านเอาในสติปัฏฐานสูตรท่านจะสอนเลยมีแต่คาว่าในเครื่องหมายคาพูดรู้เป็นหลัก หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้กิริยาคือคำว่ารู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปก้าวอยู่ก็รู้จะคู่จะเหยียดก็รู้จะเหลียวซ้ายแลขวาจะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวท่านสอนแต่คำว่ารู้จิตใจหรือร่างกายมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้จะเฉยเฉยก็รู้มีแต่คำว่ารู้ คอยดูให้ดีในจิตตานุปัสสนาสอนว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะมีแต่คำว่ารู้อีกจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้จิตไม่ได้ฌานก็รู้จิตมีสมาธิขึ้นมาก็รู้จิตได้อุปจาระก็รู้ จิตไม่ได้อุปจาระก็รู้จิตได้อัปปนาก็รู้จิตไม่ได้อัปปนาก็รู้จิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้นี่ตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ยังมีกิเลสจะหลุดพ้นก็มีแต่คำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้ดังนั้นถ้าเมื่อใดเราคิดขึ้นมาว่าทำอย่างไรจะถูกนะต้องเฉลียวใจว่ากำลังทําสิ่งที่เกินคาสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วหน้าที่ของเราคือการรู้การเรียนเพื่อให้รู้ เรียนลงมาในกายเรียนลงมาในใจนี้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ไหมจิตใจเคลื่อนไหวรู้ไหมคําว่ารู้มีความหมายที่กว้างกว่าคําว่ารู้ที่พวกเรารู้จักคําว่าเครื่องหมายคําพูดรู้ในสติปัฏฐานมีความหมายสองชั้นซ้อนกันอยู่อันแรกเลยคือมีสติไปรู้อันที่สองมีปัญญาไปรู้มีสติไปรู้ก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกไว้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกไว้ เรียกว่ารู้สึกรู้ทันตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทางกายทางใจยังนั่งอยู่แล้วมันปวดมันเมื่อยรู้ว่ามันปวดมันเมื่อยใจโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธขึ้นมาใจโลภขึ้นมาก็รู้ว่าโลภขึ้นมาใจมันหลงขึ้นมามันแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดนี่เรียกว่ารู้ด้วยสติรู้อันที่สองคือรู้ด้วยปัญญารู้ลงไปอีกว่าในบรรดาสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นสภาวะธรรมล้วน ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเช่นหายใจออกก็รู้จะเห็นเลยไอ้ตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่คนด้วยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่มีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกนี่เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาแล้วรู้ด้วยปัญญาจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นถ้ารู้ด้วยปัญญานี่จะเห็นเลยว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเราหรอก ความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายหายไปนี่เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาลําพังรู้ด้วยสติได้สมถะถ้ารู้ด้วยสติและปัญญาจะได้วิปัสสนาคือการทำวิปัสสนาดังนั้นรู้สึกลงในกายเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราพวกเรารู้สึกไหมตัวที่นั่งอยู่นี้ถ้าเราไม่คิดแต่รู้จริงๆนะจะเห็นว่าตัวที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เราจะเห็นว่าเหมือนวัตถุเหมือนก้อนธาตุ เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันนั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งแล้วไม่ใช่คนด้วยเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งมันมากองอยู่ตรงนี้เห็นอย่างนี้บ่อยๆถึงจุดหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่าตัวนี้ไม่ใช่เราหรอกเวลาดูลงมาในจิตใจความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะโกรธนะมันโกรธเองความโลภเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะโลภเลยเดินๆอยู่ไปเห็นของสวยใจมันอยากได้ขึ้นมาเองไม่ได้สั่งให้อยากได้นะ อยากได้ของมันเองหรือนั่งอยู่ดีๆนะใจมันแอบไปคิดไม่ได้เจตนาไปคิดใจมันไปคิดของมันเองใจหนีไปคิดวบแวบวบแวบสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแว บ, บหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็แอบไปคิดสลับกันไปเรื่อยๆฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสังเกตไหมใจเราจะแอบไปคิดมันก็ไปเองจะตั้งใจฟังมันก็ตั้งใจเองจะเครียดเพราะโดนไล่จี้นะ มันก็เครียดเองมันทํางานของมันได้เองให้เราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดจิตใจมันทํางานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่ตัวเราวันใดที่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะได้พระโสดาบันถ้าเห็นแล้วใจยอมรับนะบางทีเห็นว่าจิตหายไปเลยภาวนาไปแล้วเราหายไปเหลือแต่กายเหลือแต่เวทนาเหลือจิตอยู่ เหลือความคิดนึกปรุงแต่งอยู่แต่เราหายไปอย่างนี้บางคนตกใจถ้ายังตกใจเรียกว่ายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมยังไม่ยอมรับความจริงว่าเราไม่มีแต่ถ้าดูซ้าแล้วซ้าอีกดูลงไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่าเราไม่มีหรอกพอเราไม่มีจะได้พระโสดาบันหลังจากนั้นเป็นต้นไปเวลาเรามองย้อนมาที่ตัวเองจะรู้สึกเลยว่าไม่มีตัวเรา อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีย้อนมาดูก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอกแต่ยังรักกายรักใจอยู่คล้ายๆพกหน้าด้านนะรู้ว่ากายกับใจนี่ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ของเราหรอกแต่หวงไม่ยอมคืนเจ้าของตามรู้ตามดูต่อไปอีกจะเห็นว่าเรารักกายรักใจมากรักอย่างเหนียวแน่นที่ว่าเรารักคนอื่นน่ะความจริงไม่จริงหรอก